นาปฏิวัณภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ 1. นึ่พิภิกษุณีไม่ห่วงตระกูลแต่บอกเฉพาะโทษที่มีอยู่ 2. พภิกษุณีวิกลจริต 3. พภิกษุณีต้นบรรยัติสิกขาบทที่หจบ